ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการคุยธรรมะท่านผู้ฟังข้าพเจ้า ในคําสอนต่างๆเหล่านี้ก็มีเรื่องที่ละเอียดก็มีนะเรื่องที่ทั่วๆไปก็มีนะเรื่องที่ทั่วๆไปในที่จะนําเข้าสู่ความ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและคือ ยลสนักการทํางานตรงนี้ว่าสมมุติสมมุติมีการมีภัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะภัสสะนี้นะมันมันมาตรง นั่นคือมีอะไรมาครบครบปุ๊บปรับไปปรุงแต่งตามแล้วปรุงแต่งผันไป นัยไม่ทุกข์ก็คือว่าพอเราสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยมันหายไปเนี่ยอะไรเหลือเหลืออะไรนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสุข นะส่วนการที่เราไม่ต้องไปรู้สึกเป็นสุขไม่ต้องรู้สึกเป็นบาง สิ่งที่เป็นทุกข์ได้นะอะไรที่เป็นสภาวะที่เป็นทุกข์น่ะเค้าปล่อยวางได้งั้นทําไมเค้าถึงปล่อยวางได้เค้าทําไมถึงไม่มา อ่าถ้าปรึกษาคนธรรมดาไปทํางานหาเงินแล้ว 2 คนนี้เจอภาษาคนละอย่างเป็นภาษาที่ทําให้เกิดความไม่พอใจได้เนี่ยคนหนึ่งน่ะกลับเป็นทุกข์ไปตามสิ่งที่ นะที่มีเอ่อสภาวะที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นมีความหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบเนี่ยเพราะว่าเค้าเนี่ยยัง ในเมื่อเกิดกับรับรู้อ่ะนี่เป็นสุขเป็นทุกข์ไหล ทีนี้อ้าวทําไมสภาวะที่เป็นทุกข์มันก็ไม่ถึงนะเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้ไปประงค์ parameter ไปไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบเนี่ยนะเราเออฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ นะอวิชชาเกิดสําหรับคนที่ยังมีเป็นปุถุชนอยู่นะวิชชาเกิดขึ้น ซึ่งเป็นธรรมชาติเลยท่านผู้ฟังแล้วมันจะเข้าไปยึดถือเมาไปก้าวลงไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบอันนี้ 100% หนังสือที่อ่านอยู่ที่ต้นในหรือบางคนฝันกลางวันเนี่ยนั่งรับเอ่อดื่มตานี่ ในบางส่วนในส่วนที่เขาสนใจอยู่ตอนนั้นนะทีนี้ถ้าทํายังไงล่ะเพราะจิตเรามัน ฌานขั้นไหนก็ได้เนี่ย 1>, 1 2 3 4 ขั้นใดขั้นหนึ่งนั้นในขณะที่ตัวเองมีสมาธิขึ้นแต่ว่าเค้าก็ยังมีอวิชชาในการที่จะไปก้าวลงยึดถือในสมาธินั้นอยู่ก็มีนั้นทีนี้เอ่อ ไม่ก้าวลงไม่ไปยึดถือเนี่ยบางทีจิตเป็นสมาธิก็มีนะไม่ยึดถืออยู่ นะสอเสือตอเต่าสระอิเนี่ยแปลว่าความระลึกได้ แต่ลมหายใจมีไว้เพื่ออะไรมีไว้ก็ระลึกถึงจากสิ่งอื่นที่คุณจะไปเพลินได้ระลึกถึงจาก นั่นคือคือบางทีมันจะใส่การฝึกน่ะที่จะทําให้จิตของเรานั้นมารู้สังเกตดูลมหายใจได้นะเหมือน เราก็ค่อยฝึกฝึกปุ๊บเนี่ยเอ่อสติตัวเนี้ยมันก็จะมี 5 ในที่จะทําให้จิตเราเรา 5 เจริญขึ้น 5 เจริญขึ้น เราเนี่ยสามารถที่จะมารู้ว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งจนถึงจุดที่มันสั้นเข้า นะเราค่อยๆทําไปนะฟังฝึกฝนนะให้มีความแคล่วคล่องมี มีกำแพงปิดกันได้มากขึ้นรูรั่วน้อยลงเหนือๆไว้ให้มันจะไม่ให้ไหลออกไป นะฝึกไปอีกนะฝึกที่ลมหายใจนี่แหละนะเค้าตัด 1 กิโลเมตรในกิโลเมตรที่ 1000 ก็ทําเหมือนกิโลเมตรแรกใน 40 ก็เหมือนวิ่งกิโลเมตรแรกใช้เทคนิคจะไป มันจะมีความก้าวหน้าอะไรจะเป็นตัวแปรตัวบ่งบอก